เคยเตาพูดอะไรสูบฟังก็ทุกสิ่งทุกอย่างเคยพูดเคยสอนก็สำคัญเรื่องธรรมะทางศาสนาก็คือการปฏิบัติกายวายายใจพ้องตอนีกธีปฏิบัติทุกคนก็ต้องสังเกตตัวเองเราทำแบบนี้อย่างนี้กำหนดอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างไร แต่แลความสงบไหม า, หาสงบระงับโดยการแต่ทาบำเพ็ญของตนก็ไม่ต้องไปวิ่งวุ่นหาวิธีอื่นทำของเก่าแบบเก่าจิตใจของเราก็คอยจะสงบระงับและรับความสุขาหากมัวแต่ไปคิดปรุงว่าอย่างนั้นจะดีอย่างนี้จะดี ไม่เอาจริงเอาจังให้อะไรที่เราถือว่าดีแต่เมื่อปฏิบัติไปไม่เห็นผลมันก็ไม่ดีสำหรับตนของตนฉะนั้นต้องพิจารณาการกระทำของตนทีใดที่ทำให้จิตระงับส ง, งบจะเป็นการกำหนดลมหายใจก็ดีกำหนดบทพุโทโธก็ดีต่างหน้าต่างตาบำเพ็ญเลื่อยไป เมื่อจิตได้รับความสงบรับความสุขจิตก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นก็มีทางที่จะพิจารณาถาดขันพิจารณาสิ่งต่างๆในทางปัญญาในทางลีบศาสนาให้จิตใจละถอนสิ่งที่คล้องจิตจิตจูงนั้นนั้นให้หายไปได้สะดวกสบายอยงนี้วิธีใด อะไรที่ผิดแปลแตกต่างถึงเนี่ยสอนกันก่อนเนี่ยสอนให้ไปทําไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติขอตัวของเราทุกท่านพอการมาพักผ่อนในวัดในวารก็มุงหน้าจะมาพักผ่อนจิตส่วนกายพักผ่อนที่ไหนก็พอพักผ่อนด่ส่วนจิตจะต้องหาสถานที่ ถ้าอยู่ในทีเอกระเลอเฮหารูปเสียงเสื่องราวต่างๆลบควรการพากิก็เห็นว่ามันยุ่งลำคาญพักไม่ได้ตามตากธนาหรือฝึกยากเพราะรูปเสียงภายนอกเป็นเครื่องก่อกวนความสงบของใจฉะนั้นในสมัยพุทธการท่านจึงสอน การฝึกจิตให้หาสถานที่ให้หาสบายะหาที่สงบมีพวกเราอยู่ในวัดป่าก็ห่างไกลาทางตาก็ไม่เห็นรูปที่จะหยั่วยุให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นทางหูก็ไม่มีเสียงอะไรที่จะรบกวนให้จิตใจเสีสายเพราะ่าวุ่นนอกจากเสียงสักธรรมดา ฟังแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจเกิดความกำหนัดจินดีจิตใจกลัวตื่นเต้นแตนั้นระยะเวลาที่เรามาพักภาวนาก็ให้ตั้งหน้าฝึกอบรมตัวเองความเพียรเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านจะต้องเอาใจใส่ ความเพียนก็คือความมีสติรักษาจิตใจในฝ่งปรุงไปในอดีตอนาคตมุ่งกาหนดเรื่องอัตธรรมในปัจจุบันจิตใจสัมผัสกับเรื่องอะไรก็พิจารณาอันนั้นทาด้านพิจารณาถ้าด้านสงบก็ไม่ต้องรงสาย ไปตามสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาดังน้ารักษาบทบริกรรมหรือกำหนดลมจิตก็จะสงบไปเองเพราะจิตไม่ได้ท่องเกี่ยวจิตไม่มีสิ่งก่อเกี่ยวเมื่อจิตสงบจิตก็วิเวกกายวิเวกหางา่ายทำงา่ายอยู่ปราศจากผู้คนรูปเสียงในปาในดงก็เป็นเรื่องกายวิเวก ทำง่ายแต่จิตตวิเวกจะต้องอาศัยสติอาศัยบทธรรมอาศัยความเพียรพยายามข่มขีมในจิตใจวิ่งวุ่นไปในอารมณ์ต่างๆให้อยู่ในบทบริกรรมหรือกำหนดลมของตนเมื่อเรารักษาอย่างนั้นไม่ปล่อยสติเถิดตัว ก็จะรวมลงเดี๋ยวรับความสว่างสวยเดี๋ยวรับความเยือกเย็นภายในนี่เป็นการฝึกใจการฝึกใจเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคนที่มุ่งความสุขภายในความสุขของใจที่ปราศจากสัญญาอารมณ์ความสุขของใจ จีเป็นไปในทางธรรมะจิดแตกแต่ต่างกับความสุขทางโลกเพราะความสุขทางโลกที่เราข่องจิตชิดตรงมันก็เหมือนกันกับสัตว์แต่เราเองสมมติให้เร า, าเป็นคนเป็นผู้ที่มีความดีเด่นกว่าสัตว์ทั่วไป